ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนชุดที่สรู้จักขันหตามความเป็นจริงในหลายวันที่ผ่านมามีเสียงโทรศัพท์ดังแทบไม่ขาดสายมีการสนทนากับหลายท่านหลายบุคคลเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยวางวิธีการดูขันหอุบายธรรมที่จะลดละอัตตาตัวตน จากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งเป็น 5, สูนรใหญ่มีการอธิบายมีการขยายความมีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่องและก็เป็นที่น่ายินดีที่หลายท่านมีความเข้าใจและมีการปล่อยวางมากขึ้นความทุกข์จึงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในบางส่วนหลายบุคคลที่ได้เข้ามาศึกษาใหม่ในช่วงหลังๆเพราะมาสนใจเข้ามาอ่านใหม่ก็มีจานวนมาก ระบบได้สอบถามความเข้าใจเป็นพื้นฐานของแต่ละท่านก่อนก่อนที่จะชี้แนะวิธีการตามจริตของแต่ละคนให้และมีหลายท่านที่ระบบให้กลับไปอ่านข้อความการรู้จักกลไกาการทางานของขันห้าในพื้นฐานเสียก่อนซึ่งเป็นการอธิบายให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของขันห้าในมุมมองของธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจก่อนเมื่ออ่านแล้วมีความเข้าใจมีการอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติม ระบบก็จะอธิบายในวิธีการปล่อยวางให้มากขึ้นไปอีกได้คือเพิ่มเติมจากพื้นฐานความเข้าใจเดิมต่อขึ้นไปด้เองเลยหลายท่านตัวไปค้นหาข้อความเหล่านี้มาอา่านมาศึกษาและหลายท่านมีความเข้าใจใ น, นกลไกธรรมชาติมากขึ้นจึงได้มีการอธิบายเพิ่มความเข้าใจเข้าไปอีกและสามารถปฏิบัติได้ละวางได้เป็นความเป็นเช่นนั้นเองของขันห้าได้อย่างเร็วเลยทีเดียว และความทุกข์ที่เคยกอกินเพราะความรู้ไม่เท่าทันขันห้าก็พลอยกินได้ยากไปด้วยวันนี้จะขอนาข้อความพื้นฐานที่ยังเป็นมาอ่านให้ฟังกันชนิดเพราะหลายท่านสามารถเข้าใจในความหมายในคำพูดในการอธิบายแบบง่ายๆนี้ได้โดยไม่มีความซับซ้อนให้ต้องไปตีความกันอีกบางท่านที่ยังไม่เคยได้อ่านมาก่อนก็ลองมาอ่านเพื่อทาความเข้าใจก่อน ท่านอาจจะได้แนวทางการปล่อยวางจากข้อความเหล่านี้ก็เป็นได้ขออนุโมทนาทุกท่านโลกนี้ก็คือละครโรงใหญ่โลกนี้ก็คือละครโรงใหญ่ในกลไกลของธรรมชาติมีกรรมวิบากกรรมเป็นผู้คัดเลือกให้แต่ละท่านมาเล่นตามบทนั้นๆอย่างเหมาะสมถ้าเลือกได้ ก็คงมีแต่คนอยากเกิดมาในกองเงินกองทองเกิดมาสวยรวยทรัพย์เกิดมาสุขสบายกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากเลือกเกิดมาลำบากเกิดมายากจนเกิดมาพิกลพิการแต่เพราะไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามอำเภอใจตนเองด้วยวิบากกรรมต่างๆที่ทำไปด้วยความไม่รู้เป็นผู้จัดสรรให้มาเล่นบทนั้นๆ ถ้ายังออกจากกรรมวิบากกรรมของแต่ละคนไม่ได้ก็ยังคงต้องมาเล่นบทบาทต่างๆมากมายทั้งบทพ่อแม่ลูกผู้ชายผู้หญิงพี่ป้านาอาคนรวยคนจนเจ้านายลูกน้องสวมโหโขนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และเล่นกันต่อไปหลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วน ด้วยการวนเวียนมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโรงละคร น, นี้แม้วันนี้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะไม่เกิดได้ถ้าเข้าใจถึงกลไกของธรรมชาติคือเลือกได้ที่จะไม่เกิดอีกเลือกที่จะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัดตะสงสารอีกพระพุทธองค์ท่านพบผลทางของการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ท่านเข้าถึงกลไกของธรรมชาติเหล่านั้นค้นพบทางที่ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วจึงชี้ทางบอกทางให้กับผู้ที่มืดบอดด้วยอวิชชาได้รับรู้และดำเนินตามท่านเพื่อหลุดพ้นจากวะตะสงสารอันยาวนานพระอรหันตสาวกทั้งหลายดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนชี้ทางและหลุดพ้นจากอาวิชชาพ้นจากอุปทานทั้งหลาย ไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายเช่นกันแม้ผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีการไตรตรองในธรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือบุคคลใดๆก็ตามก็สามารถเข้าถึงกฎสัจธรรมนี้ได้หากมีปัญญาเห็นธรรมหรือเห็นจริงในธรรมชาติเหล่านั้นและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องพุ่งเป้าไปที่ขันห้าของตนเองเป็นหลักเพื่อเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญในการดับทุกข์ในขันห้ามันพิจารณาให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสปปรรพสิ่งในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมันก็ไม่ไเป็นตัวใครของใครทั้งสิ้นมันจึงบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยนั่นเองหากเชี่ยวชาญในการดับทุกข์ในขันห้าและออกจากอุปทานทุกข์เหล่านั้นได้ถือว่าท่านเชี่ยวชาญทุกสาขาทางโลกผู้ที่เก่งทางเคมีท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญทางเคมี ถ้าท่านเก่งทางคอมพิวเตอร์ท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ถ้าท่านเก่งทางการแพทย์ท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ถ้าท่านเก่งทางวิศวกรรมสาขาใดๆท่านก็คือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆแต่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆก็ยังคงทุกขอยู่ยังคงดิ้นรนเพื่อให้ออกจากทุกข์อยู่นั่นแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญสาขาไหนไม่สําคัญ แต่ท่านก็ยังคงทุกอยู่ยังคงหาทางดับทุกข์อยู่แต่ถ้าท่านเชี่ยวชาญในการดับทุกข์ในการละจากอุปทานขันห้าต้นตอของความทุกข์และท่านสามารถดับทุกข์ได้ในขันห้าของท่านเองนั่นหมายถึงว่าท่านเชี่ยวชาญทุกสาขาเพราะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทั้งหลายสุดท้ายก็ต้องมาออกตรงทางเดียวกันก็คือหาทางดับทุกข์ เพื่อออกจากทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้จึงมุ่งหมายในเรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นทุกข์สมุ ท, ทยัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธคือความดับทุกข์มัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระพุทธองค์ตรัสแต่เรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์ ไม่ได้ตรัสเรื่องความสุขเลยดังนั้นความสุขจริงๆ จ, งจึงไม่มีมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นทุกข์น้อยมองเห็นได้ยากจนมองไม่เห็นว่านี่คือความทุกข์ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยจึงเห็นเลยไปคิดว่าเป็นความสุขเหมือนไปเที่ยวไปร้องเพลงคาราโอเกะเหมือนไปพักผ่อนไปสนุกสนานไปมีความสุขแต่พอเหนื่อย เดินเที่ยวเหนื่อยร้อนอยากกลับบ้านจากความสุขเมื่อตอนไปเที่ยวกลับเป็นความทุกข์ด้วยความเมื่อนายอยากกลับแล้วคนอื่นยังไม่กลับจึงต้องทนรอด้วยความทุกข์นั่นเองหรือร้องคาราโอเกะอย่างสนุกสนานพอร้องไปสัก3ามชั่วโมงแล้วเริ่มเหนื่อยอยากหยุดอยากพักเริ่มไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนมาแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่า ให้ร้องเพลงอยู่อย่างนั้นห้ามหยุดตลอดทั้งคืนห้ามเลิกก็จะเริ่มทุกข์แล้วเพราะเหนื่อยเพราะง่วงอยากหยุดอยากเลิกแล้วเขาไม่ให้เลิกการร้องเพลงนั้นจะกลายเป็นร้องเพลงด้วยความทุกข์ทันทีร้องไปเบื่อไปเมื่อไหร่จะให้หยุดเมื่อไหร่จะให้พอนั่นคือมีความทุกข์แฝงอยู่แต่แรกแล้วแต่มันยังไม่เห็นแต่พอเริ่มนานความทุกข์เริ่มปรากฏ เริ่มเห็นเริ่มทนไม่ได้คราวนี้ก็ต้องเริ่มหาวิชาดับทุกขมาใช้ทานอาหารอร่อยเหมือนมีความสุขแต่พออิ่มแล้วเขาบอกต้องทานอีกต้องให้หมดจานต้องให้หมดหม้อเริ่มจะมีความทุกข์แล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วความทุกข์เริ่มปรากฏดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสุขมันไม่มีมีแต่ทุกข์กับปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ นี่เป็นเพียงรูปขันที่เกี่ยวเนื่องส่งไปในขันห้านะแล้วอื่นอื่นอีกมากมายรอบตัวจึงมีแต่ทุกข์ทุกขทุกทุกข ท, ที่มองไม่เห็นด้วยไม่มีปัญญามองเห็นนั่นเองพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเห็นทุกข์เห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารแล้วท่านจึงตรัสสอนว่ามีแต่ทุกกับการดับทุกเท่านั้นและมูลเหตุแห่งทุกก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอุปทานว่าเป็นตัวตนของตนนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นหากจาออกจากทุกข์ก็ต้องเชี่ยวชาญในการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันห้าของท่านถ้าท่านเชี่ยวชาญในการดับทุกข์ถือว่าท่านเชี่ยวชาญทุกสาขาดังบทความในหนังสือธรรมะฝนประปรายที่กล่าวว่าเกิดมาทาไม ในโลกนี้มีวิชาความรู้หลายสาขาใครรู้แจมแจ้งสาขาใดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ผู้ใดรู้แจมแจ้งเรื่องความดับทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเชี่ยวชาญทุกสาขาข้อความดั้งเดิมโดยคุณมาลเทนชีวิตมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเปรียบเสมือนตัวละครที่โลดแล่นเล่นไปตามบท มีโลกเป็นโรงละครผู้กำกับทำบทไว้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ฉากละครถูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเพื่อให้เห็นอ น, นิจจงความไม่เที่ยงบทเรียนชีวิตแต่ละบทเป็นเพียงบทละครที่มนุษย์ต้องเล่นไปตามจริตตามวิบากกรรมและผลสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่ตัวตนที่เคยยึดมั่นถือมั่นบทละครตอนอวสานของภาพยนตร์เรื่องชีวิตมนุษย์โลกทุกชีวิตรู้อยู่แก่ใจสะสมกันไปทำไมชีวิตดาเนินอยู่เพียงเพื่อประคองชีวิตแล้วใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระลึกอยู่เสมอว่าฉาสุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตต้องล้มตายกลายเป็นปุ๋ยมันเป็นสัจธรรมที่แน่นอนไม่มีวันตาย ทุกชาติทุกศาสนาต้องพบเจอเหมือนกันหมดเมื่อจิตออกจากร่างธาตุสี่ขันห้าก็ยังคงต้องไปจับร่างอื่นเพื่อยึดเกาะไว้รอวันหลุดพ้นได้จริงในที่สุดจิตที่บางเบาโปร่งโล่งสบายแม้จะเกิดอีกก็จะได้รับสภาวะจิตเช่นนี้เพื่อกระทำให้ถึงซึ่งความไม่เกิดคือไม่มีสภาวะของการยึดมั่นถือมั่น ในอุปทานขันห้าตรงกันข้ามกับจิตที่ยังหนักเพราะการยึดไม่ยอมวางย่อมพาให้จมดิ่งลงสู่เบื้องล่างยิ่งไม่มีกุศลนำพาทิศทางที่ไปก็คืออบายภูมินั่นเองอบายภูมิน่ากลัวยิ่งนักภัยพิบัติธรรมชาติเป็นเศษเสี้ยวของความน่ากลัวเท่านั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนเช่นเคย ขออนุโมทนากับอาจารย์เมาอย่างยิ่งกับข้อความเตือนสติข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้บางข้อความหลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ยังเบาบางจางคลายจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สักทีเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มตรงไหนนั่นเป็นเพราะว่าเรายังหาปมที่มันล็อกไว้ไม่เจอเหมือนเชือกเส้นใหญ่นั่นหนา เริ่มต้นโดยการนำได้เส้นเล็กๆหลายๆเส้นมารวมกันแล้วหมุนจนเป็นเกลียวอัดแน่นจนเป็นเส้นเชือกยึดเกาะกันเป็นเกลียวแล้วล็อกปมไว้ถ้าอยากให้เชือกนั้นคลายออกหลุดออกเป็นเส้นเช่นเดิมก็ต้องหาปมที่ล็อกให้เจอเมื่อหาเจอแล้วคลายปอมออกแล้วหมุนคลายย้อนกลับไปคนละด้านกับที่ขันเกลียวให้นั่นเส้นได้เล็กๆก็จะค่อยๆคลายหลุดออกจากกันคืนเป็นเส้น เส้นเส้นที่ไม่ใช่เชือกอีกต่อไปเช่นกันการยึดก็ย่อมต้องหนักยิ่งยึดมากสะสมมากความหนักย่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอุปทานมันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอมีแต่ต้องสะสมให้มากเข้าไว้นี่คือคกลไกของอุปทานการปล่อยการวางก็คือการละอุปทานย่อมเบาบางจางคลาย จากความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆพระสูนทางกับการยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่เป็นการวางจากภายในวางด้วยความเข้าใจคือมีความเข้าใจในกลไกของธรรมชาติของกรรมวิบากกรรมของแต่ละคนที่รายรอบอยู่ว่าเขาต้องถูกต้องตามกรรมวิบากกรรมของเขาเหล่านั้นเช่นกัน แม้แต่สิ่งของที่มีอยู่ใช้อยู่ก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมมีอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่กันด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่บางอันแตกบางอันหักบางอันหายก็ไม่ได้ไปฟูมไฟด้วยความหวงแหนเช่นเคยอุปทานขันห้ามันก็มีปมของมันที่ถูกซ่อนอยู่เมื่อหาเจอก็ย่อมคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้ ห า, <PTSD> หากใครหาเจอได้ไวก็เบาบางจางคลายจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วก็เพราะรู้เท่าทันอุปทานนั่นเองกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมไม่เคยลำเอียงใครทําใครได้คือใครทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะไม่ว่าใครคิดอย่างไรก็จะได้รับผลนั้นทันทีตามความคิดนั้นๆ ทางโลกจึงมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันโลกจึงมีแต่ความรุ่มร้อนด้วยเพลิงโทสะแต่ในทางธรรมะการให้อภัยการให้ความเมตตาซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ควรกระทําอย่างยิ่งเพราะจะทําให้บุคคลนั้นไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากความคิดและอารมณ์นั่นเองเพราะการคิดอาฆาตพยาบาท คิดมุ่งร้ายคิดจะทำลายกันบุคคลนั้นก็จะรับผลไปแล้วในขณะนั้นนั่นคือมีความทุกข์มีความร้อนรนมีความขุ่นเคืองมีความหนักหนาสาหัสของความมีตัวตนที่หนักอึ้งเกิดขึ้นในขณะนั้นณนะขณะนั้นณนะวินาทีนั้นณนะปัจจุบันนั้นเขาก็มีความทุกข์ของเขาอยู่แล้ว ตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติเพราะเมื่อคิดร้ายสารเคมีประเภทความรุ่มร้อนก็หลังออกอารมณ์ก็ขุ่นมัวร้อนรนนั่นคือบุคคลนั้นกาลังรับทุกข์อยู่แล้วแต่มองไม่เห็นคือมองไม่เห็นทุกข์คือยังมองไม่เห็นข้อแรกของอริยสัจสี่แล้วข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สจะมีปัญญาเห็นหรือเพราะต้องเห็นข้อหนึ่งก่อน ต้องเห็นว่านี่คือทุกรู้ว่ากำลังทุกอยู่ความร้อนรนด้วยไฟโทสศัพท์ความร้อนด้วยเพลิงอาฆาตพยาบาทมันเป็นข่ายทุกมันเป็นความทุกเมื่อเห็นข้อหนึ่งว่ากำลังทุกอยู่จึงจะขนวายหาเหตุแห่งทุกหาทางดับทุกแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกนั้นแต่ขณะที่กำลังทุกร้อนรนกันอยู่จะมีปัญญาพิจารณาหรือไม่ว่ากาลังปรุงทุก ทิมแทงตนเองกันอยู่ในทางธรรมะจึงมีการให้เปลี่ยนความคิดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นหาคิดพยาบาทอย่าเลยให้คิดเมตตากันดีกว่าหาคิดริษยาอย่าเลยให้มีมุทิตาจิตเพราะยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกันดีกว่านี่คือทางธรรมะก็มีทางออกให้มีทางแก้ไข ผู้ที่กำลังทุกข์อยู่ให้เห็นทางออกจากทุกข์คือมีเมตตากันและกันมีความเข้าใจมีการให้อภัยความร้อนรนด้วยเพลิงโทสะทั้งหลายก็จะกลายเป็นความสงบเย็นสิ่งที่ได้กล่าวไว้อย่างต่อเนื่องก็คือการไม่ส่งจิตออกไปนอกตนเองไม่ส่งจิตออกไปตัดสินใครมุ่งเน้นให้เห็นการปรุงแต่งของอุปทานในขันห้าของตนเองเท่านั้น มุ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการเห็นความว่างว่างจากการยึดมั่นในอัตตาตัวตนว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าที่คิดว่าเป็นตัวตนของตนดังนั้นการไปมองที่ขันห้าคนอื่นการไปคาดคะเนการไปประเมินปัญญาของคนอื่นนั้นมันเป็นการเห็นผิดตั้งแต่ทีแรกนั่นคือมองออกไปกลายจากขันห้าของตนนั่นเอง ดังนั้นหากทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อการละวางอัตตาอย่างทองแท้เห็นตามธรรมะของพระพุทธองค์ที่กล่าวไว้ให้พิจารณาว่าขันหานี้มิใช่ตัวตนของตนแล้วท่านย่อมไม่ไปชี้ผิดชี้ถูกกับใครทั้งสิน้นเพราะทุกคนมีวิบากกรรมที่ติดตัวมากันทั้งนั้นมีสติปัญญามีการพิจารณาไตรตรองด้วยสติสัมปชัญญะตามแต่กรรมวิบากกรรม าหากเราลองมองย้อนกลับไปเวลาเราพบคนที่เขายังนับถือต้นไม้ใบหญ้านับถือก้อนหินก้อนดินเราจะคิดว่าทำไมเขาไม่มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไรสาระมันช่วยไม่ได้จริงมันเป็นสิ่งที่ผิดมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่คนกลุ่มนั้นเขาย่อมมองเห็นว่าเขาทำถูกต้องมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเขาแล้ว เพราะเขามีปัญญาแค่นั้นมีวิบากอย่างนั้นต้องเกิดมาอยู่ในถิ่นที่มีความเชื่อแบบนั้นซึ่งเป็นการยากที่จะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาเหล่านั้นหากท่านเป็นห่วงอยากช่วยเหลืออยากเปลี่ยนแปลงเขาท่านก็เป็นทุกข์เองเพราะความทุกข์มันเกิดอยู่ในขันห้าของท่านแล้วยื่นออกไปทั้งๆที่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยท่านจึงต้องใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาแล้วปล่อยวาง ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองตามเหตุปัจจัยสติปัญญาของเขามาได้เท่ากับวิบากของเขาเท่านั้นหากท่านมองไปยังจุดอื่นๆในปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปยังจุดต่างๆมากมายมีหลากหลายวิธีการปฏิบัติหลากหลายสำนักมากมายแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีการมุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อการออกจากวัฏสงสารทั้งสิน้นแล้วแต่จะเป็นรูปแบบหรือวิธีใด นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นคิดผิดหรือคิดถูกแต่มันถูกต้องตามจริตตามปัญญาตามกรรมวิบากกรรมที่ส่งมานั่นเองดังนั้นอย่าได้ไปมองว่าคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดเราคิดถูกเขาคิดผิดหรือมีมุมมองใดๆที่จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเพราะทุกคนต้องรับผิดชอบดวงจิตของตนเองต้องหมั่นพิจารณาไตรต ร, ตรอง ต้องปฏิบัติจนเห็นความเบาบางจางคลายจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตนเองและที่สําคัญห้องเรียนของท่านคือขันห้าขันนี้ต้องมันที่จะพิจารณาขันห้าของท่านเพื่อการปล่อยวางและการยึดมั่นถือมั่นในขันของท่านเองไม่ต้องไปช่วยขันห้าอื่นๆเขาปล่อยวางรอกเพราะช่วยกันไม่ได้ของใครของมันได้แต่เพียงชี้แนะแนวทางให้ได้เท่านั้น แต่และท่านก็ต้องทําเอาเองดังนั้นการเข้ามารับรู้เข้ามารับทราบในกฎธรรมชาติที่ได้ถ่ายทอดไว้นี้ท่านต้องนำไปพิจารณาไตร่ตรองด้วยตัวท่านเองแล้วลองนําไปปฏิบัติเมื่อผลการปฏิบัติออกมาแล้วท่านก็จะทราบได้ว่าท่านมาถูกทางหรือไม่เพราะทุกอย่างเป็นปัจจัตตังที่ท่านเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองและสัมผัสเอง ขออนุโมทนากับทุกทุกท่านอันิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนขันห้าไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นตัวใครเป็นเพียงการรวมกันของธาตุทางธรรมชาติและมีอุปทานขันห้าเป็นยางเหนียวยึดเหนี่ยวกันไว้เท่านั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้แล้วท่านเห็นแล้ว ท่านนำมาบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นตัวใครของใครเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นเพียงแต่ปัญญามนุษย์จะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นน้อยคนนักที่จะเข้าใจได้จริงจะเห็นได้จริงอย่างที่กล่าวไว้ถ้าเข้าใจได้จริงเห็นได้จริงก็จะไม่ไปอุปทานว่าขันห้าเป็นตัวเราสิ่งต่างๆเป็นของของเราความทุกข์ก็จะไม่เกิดความโศกเศร้าโศ ก, กา ความร่ำไรรำพันก็จะไม่เกิดความแห้งใจความวิปรโยคโศกเศร้าทั้งหลายก็จะไม่เกิดเพราะไม่มีตัวตนของผู้ที่จะรับทุกที่เกิดขึ้นเหล่านั้นนั่นเองเมื่อมีตัวเราที่ไหนทุก์ที่นั่นเพราะทุกเกาะได้ที่ตัวเราพระพุทธองค์สอนแค่สองอย่างเท่านั้นในอริยสัจสี่คือสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกทุกข์สมู ท, ทยัยนิโรธมัก ขั้นตอนแรกต้องเห็นก่อนว่ากำลังทุกข์อยู่เสมอไทยเมื่อรู้ว่ากำลังทุกข์อยู่จึงจะหาสาเหตุแห่งความทุกข์ได้ว่ากำลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่ที่กำลังร้อนรนอยู่นี่กำลังเสียใจอยู่นี่มาจากเครื่องอะไรคือหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอนิโรธคือความดับทุกข์ดังนั้นเมื่อหาสาเหตุของความทุกข์เจอแล้วก็ไปดูว่าทางที่จะดับเหตุแห่งทุกข์ได้นั้นมีอะไรบ้าง คราวนี้ต้องพึ่งพระธรรมคำสั่งสอนต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำทางจึงจะมีปัญญาดับทุกได้ไม่ใช่ดับทุกทางโลกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จะกลับมาทุก์ใหม่แต่พระธรรมคำสั่งสอนได้ชี้ทางแห่งการดับทุก์ไว้ให้แล้วดับที่ขันหดับที่อุปทานว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองมักคือการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุก คืออริยะมักแปดประการเพื่อเข้าสู่ทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงคือพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานทั้งปวงนั่นเองดังนั้นถ้ารู้ว่าจุดมุ่งหมายที่เป็นแก่นที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบทรงสั่งสอนทรงชี้ทางสว่างให้กับเวนยสัตมีแค่นี้มีแค่เรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์แค่นี้มีแค่ให้หลุดพ้นจากอุปทานขันห้า และการยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนแค่นี้มีแค่นี้ออกแค่นี้ทำได้เดี๋ยวนี้ก็หายทุกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สถานที่ไหนมันอยู่ในขันห้าของแต่ละท่านเท่านั้นไม่มีใครช่วยใครได้อย่างแท้จริงนอกจากแค่ชี้แนะอธิบายขยายความเท่านั้นที่เหลือนอกนั้นท่านต้องทำของแต่ละท่านเองแม้แต่พระพุทธองค์ ท่านยังช่วยใครให้บรรลุธรรมไม่ได้เลยท่านเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้นถ้าใครเข้าใจปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามแนวทางนั้นไม่นานก็พ้นทุกข์อย่างสมัยพุทธกาลเทศนาธรรมแต่ละครั้งมีผู้บรรลุธรรมมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมมากมายมีทั้งภิกษุมีทั้งภิกษุณีมีทั้งอุบาสกมีทั้งอุบาสิกามีทั้งควาทที่มาฟังธรรมในแต่ละครั้ง และทุกคนก็นำขันห้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อละเท่านั้นไม่ได้แบกอุปกรณ์อื่นๆมาช่วยเลยการเรียนรู้ก็ไม่ได้ท่องจำมากมายไม่ได้รู้ในพระไตรปิฎกมากมายหรือบางคนรู้แค่ตัวเองกบบาลังทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ได้รู้หนังสือไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังธรรมะด้วยซ้าไปแล้วทำไมพอมารับฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ส่งชี้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ส่งชี้แนะทางออกจากทุกข์คือการละอุปทานเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตามแล้วเกิดเห็นจริงเห็นโทษภายในวะตาสงสารเห็นว่าเป็นเพราะไปอุปทานว่าขันห้าว่าเป็นตัวเราความทุกนี้จึงเป็นของเราไปด้วยพบว่าเหตุแห่งทุกข์เพราะความมีตัวเรานั่นเองเมื่อพบเดียวนั้นละเดียวนั้นก็บรรลุธรรมเดียวนั้นณนะที่นั้น จงมีผู้บรรลุธรรมมากมายในสมัยพุท ธ, ธกาลในสมัยนี้แหละเรียนรู้กันมาจนมากมายหนังสือธรรมะเป็นตู้เป็นตั้งเต็มลังเต็มกล่องมากมายไปหมดอ่านมากมายแค่ไหนก็จะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นจริงจะออกจากทุกข์ไม่ได้จริงเราจึงยังเห็นคนมีธรรมะมากมายดูเหมือนมีความเข้าใจแล้วทาไมเขายัางทุกข์อยู่ นั่นเป็นเพราะยังเข้าใจไม่ถึงแก่นยังตีไม่ตรงจุดนั่นเองวันนี้เรามาลองจํากัดพื้นที่ให้แคบลงดีไหมเราจะใช้แค่ขันห้าเท่านั้นเพื่อการเรียนรู้ให้แตกฉานให้รู้เท่าทั น, นกลไกการหลอกใช้ของอวิชชาเราแค่ดูเข้าไปในขันห้ากลางตำราเรียนรู้มันทีละขั้นตอนทำความรู้จักกลไกเข้าใจแล้วปล่อยวาง จากอุปทานในขันห้าเหล่านั้นไม่ยากเกินไปแม้จะไม่ง่ายเสียทีเดียวแต่จะสัมผัสถึงความเบาบางจางคลายจากความทุกข์ได้ในเวลาอันรวดเร็วทีเดียวซึ่งมีพยานมากมายที่เบาบางจากทุกข์ได้ในเวลาอันรวดเร็ววันนี้เราลองมาเรียนในห้องเรียนขันห้าที่ทุกคนแบกกันมานานแสนนานดีไหมประโยชน์ตนคือ ออกจากขันห้าได้โดยความเข้าใจกลไกของอุปทานประโยชน์ท่านคือขันห้าก็จะมีการทำงานโดยระบบโดยแผนที่วางไว้เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัตินั่นเองถ้าจะเทียบเคียงกับการเกิดมาตามกรรมวิบากกรรมตามเหตุปัจจัยที่ส่งมาก็จะเป็นดังนี้เหมือนคนธรมธรมดาธรรมดาไม่สนใจธรรมะไม่สนใจปฏิบัติเที่ยวสนุกสนานไปวั น, วน แต่เมื่อไรที่เขามีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจขับแค้น mm. เขาก็จะหาทางที่จะออกจากทุกข์นั้นๆซึ่งมีหลายวิธีเที่ยวเตรหาเพื่อนฝูงหรือทำสิ่งใดๆในทางโลกเพื่อที่จะหาทางดับทุกข์ในขณะนั้นให้ได้ซึ่งก็สามารถทำได้แต่เป็นการชั่วคราวแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแต่หากคนคนนั้นมีปัญญาแล้วเกิดเอในทุกที่เกิดขึ้น ว่าทำไมเราจึงต้องทุกข์ทำไมคนเราจึงต้องพบเจอแต่ความวุ่นวายทุรนทุรายแล้วทางไหนจะทำให้เบาบางจางคลายจากทุกข์ได้นั่นแหละเมื่อเขามีคำถามเขาก็จะค้นหาคำตอบหาคำอธิบายทดลองปฏิบัติและพบผลทางที่จะดับทุกข์ด้วยความเข้าใจในธรรมะหรือธรรมชาติเขาคนนั้นก็จะสามารถออกจากทุกข์ได้อย่างถาวรเช่นเดียวกัน เมื่อเราไม่เคยรู้ถึงเหตุปัจจัยเก่าที่เคยสร้างไว้เมื่อมาปรากฏในชาตินี้ความทุกข์ความไม่สมหวังความไม่สบายกายไม่สบายใจการถูกโกงการถูกเอารัดเอาเปรียบการเจ็บป่วยความร้อนรนกระวนกระวายความไม่มีลาบความเป็นผู้อาภัพในทรัพย์สินปัจจัยสิ่งเหล่านี้หากเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรม ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่สร้างไว้เองมาหลายภพหลายชาติไม่เข้าใจกลไกของธรรมชาติที่ต้องส่งมาให้ตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างไว้นั้น mm. ก็จะตีอกชกหัวโทษดินฟ้าโทษเทวดาโทษโชคชะตาโทษโน่นโทษนี่ขอให้มีผู้ที่จะรับผิดชอบเป็นใช้ได้ mm. เคยคิดบ้างไหมว่าเหตุปัจจัยที่ส่งให้มาเป็นอย่างนี้นั้นมันมาจากไหนมันมาอย่างไร มันมาจากความไม่รู้จากการยึดมั่นถือมั่นว่ายังมีฉันมีแกมีเรามีเขามีนั่นมีนี่นั่นแหละที่มันเป็นตัวเก็บเป็นตัวประมวลผลเป็นตัวส่งให้มายืนอยู่ณวันนี้เพราะยังมีอุปทานว่ามีตัวตนมีของตนมีตัวเรามีตัวเขาจึงยังต้องวนเวียนอยู่ในอุปทานเหล่านี้หาทางออกไม่ได้ความไม่รู้จริง จึงไปอุปทานว่าขันห้านี้มีตัวเราเป็นของเราจึงทำเพื่อตัวเราเก็บไว้ให้ตัวเราธรรมชาติก็ต้องรวมดินน้ามลมไฟให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยเพื่อให้ตัวอุปทานมีที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องเกิดใหม่ซ้าซากอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะเห็นจริงสักทีว่ามันไม่ได้มีตัวเราหรือตัวใครทั้งสิน้นถ้าเห็นได้ว่าไม่มีใครเกิดขึ้น ไม่มีใครดำเนินอยู่หรือไม่ได้มีใครตายไปเป็ น, นกลไกของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะธรรมทุกอย่างล้วนเป็นกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆเพียงแต่อุปทานมันมาหลอกว่ามีตัวเราให้เข้าไปยึดธรรมชาติว่าเป็นตัวตนนั่นแหละเมื่อไปหลงกลติดกับก็เลยออกจากอุปทานไม่ได้ออกจากตัวตนไม่ได้นั่นเองพอมีตัวตน พอมีตัวเราการเก็บสะสมก็เริ่มขึ้นการมีบุญมีบาปมีกรรมวิบากกรรมก็เริ่มเกิดขึ้นความทุกข์ความสุขจึงเริ่มมีขึ้นนับจากนั้นธรรมชาติไม่เคยลำเอียงยุติธรรมที่สุดทำไว้อย่างไรก็ส่งคืนให้อย่างนั้นจึงยังต้องส่งให้เวียนเกิดเวียนตายเวียนมาใช้ความเป็นตัวเราสืบทอดทุกชาติไป ถ้าอินทรีแก่กล้ามีปัญญาเห็นธรรมของพระพุทธองค์ได้แล้วเริ่มเอ๊ะว่าหรือมันไม่มีตัวเราหรือมันไม่ได้มีตัวใครอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้จริงๆพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ในกฎของธรรมชาติที่มันไม่ได้เป็นตัวใครของใครเมื่อนั้นท่านอาจจะมองเห็นทางที่พระพุทธองค์ท่านทรงชี้ไว้ว่า ไม่ได้มีตัวใครของใครในขันห้าเหล่านั้นเลยทางที่จะออกจากสังสารวัตรอันยาวนานก็จะเริ่มมองเห็นรําไรเมื่อตั้งเป้าให้ตรงไปที่การละอุปทานขันห้าเหล่านั้นนั่นเองกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติความที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นจริงในธรรมชาติก็จะเข้าใจในความที่มันเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นตัวใครของใคร แล้วเห็นความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่ไปบังคับบัญชาให้มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่ต้องการเพียงแต่คอยดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปที่เกิดขึ้นในกลไกของขันห้าและพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงความจริงธรรมชาติเป็นของที่มองเห็นได้ง่ายไม่ได้สลับซับซ้อนมากมายเพียงแต่จะมีใครมองเห็นความง่ายเหล่านั้นบ้างเท่านั้น ไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างแท้จริงทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุปทานอุปทานว่านี่เป็นตัวเรานั่นเป็นของเราแท้จริงมันไม่ใช่ของใครเลยเป็นของธรรมชาติที่ถูกอุปทานยึดไว้เท่านั้นอุปทานที่เป็นยางเหนียวยึดเหนียวให้ต้องมีขันห้าวนเวียนอยู่ในวัตฏะสงสารไม่มีวันสิ้นสุดทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้มีของใครทั้งสิน้นทุกอย่างเป็นของธรรมชาติ ทุกอย่างต้องคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นการประกอบกันขึ้นตามเหตุปัจจัยณช่วขณะหนึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มาผลักดันมีเพียงอุปทานเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราความทุกข์จึงต้องเกิดขึ้นเพราะมีอุปทานนั่นเองมารู้จักอุปทานกับสงิอย่างเช่นที่เห็นง่ายๆกับเหตุแห่งทุกข์ เมื่อสามปีก่อนในไร่ที่ซื้อไว้นานแล้วไม่ได้มีต้นมะม่วงอยู่พอมาวันนี้ได้พบว่ามีต้นมะม่วงเกิดขึ้นออกดอกออกผลเต็มต้นซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยคนเดินผ่านไร่ทิ้งเม็ดมะม่วงไว้ในที่เราแล้วมันงอกขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยคือมีเม็ดมะม่วงมีดินมีน้ำมีอากาศเพียงพอมันก็งอกขึ้นเองแต่อยู่ในที่ของเรา มันก็เลยเป็นของเราไปโดยปริยายกระบวนการความทุกข์เริ่มเกิดเมื่อมีเหตุแห่งทุกข์ปรากฏมะม่วงต้นเดียวทำให้คนทุกข์ได้พอกลับมาบ้านก็ห่วงต้นมะม่วงกำลังออกลูกจะมีใครแอบมาสอยไปไหมคนเดินผ่านจะลักขโมยมะม่วงของเราหรือเปล่าเราจะลอมรั้วดีไหมคนจะได้ไม่เดินผ่านมะม่วงจะได้ไม่หาย กลับมานอนคุ้นคิดฟุ้งซ่านไปสารพัดด้วยความกังวลอยู่ห่างจากไร่แสนไกลแต่ความทุกข์กลับตามไปด้วยเพราะมันเกิดขึ้นในขันห้าปรุงแต่งในขันห้าต้นมะม่วงมันก็ยังคงเป็นต้นมะม่วงอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นของใครมันเติบโตตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติมันไม่ได้เป็นของใค ร, จจ ร, ร, ใครและมะม่วงก็ไม่รู้ด้วยว่า มันได้ทำให้ใครทุกข์บ้างหากแต่บุคคลนั้นไปยึดด้วยอุปทานว่ามันเป็นของเราอยากบังคับบัญชาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบังคับไม่ได้ก็ต้องทุกไปเป็นธรรมดาเมื่อก่อนไม่มีทุกข์เพราะยังไม่มีต้นเหตุให้ทุกข์พอมะม่วงต้นนี้เกิดขึ้นมาอุปทานเกาะทันทีว่าเป็นของเรากระบวนการทุกข์สุขก็เกิดขึ้นทันทีเห็นต้นมะม่วงทีไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ที่เห็นมันเติบโตออกดอกออกผลมีความสุขกับมะม่วงต้นนั้นทั้งที่ไร่ข้างๆปลูกเป็นร้อยต้นก็ไม่ใส่ใจไปสุขไปทุกข์กับของเขาเพราะนั่นไม่ใช่ของเราผลมะม่วงหายไปทุกอกทุกใจแค้นเคืองความทุกข์มีขึ้นจากเหตุมะม่วงต้นนั้นนี่คือความเป็นธรรมดาของอุปทานที่หลงยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเรา หากจังเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราการที่จะออกจากทุกย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องที่มองเห็นง่ายๆว่าทุกเกิดขึ้นได้เพราะอุปทานหากผู้ที่เข้าใจไม่อุปทานก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นมีขึ้นมาเองก็ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกให้ผลได้กินบ้างก็ดีแล้วหายไปหรือคนอื่นเอาไปกินบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะว่าไม่มีใครเฝ้า คนเขาก็มาสอยไปกินเป็นธรรมดาอย่างนี้เข้าใจในความเป็นอย่างนั้นเองของธรรมชาติไม่ไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นมากนักก็ไม่ทุกเพราะเหตุนั้นถ้าเราเข้าใจขันห้ารู้จักอุปทานก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานเหล่านั้นมากนักมีได้เป็นได้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ไปยึดกับมันหากยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อย ไม่ยึดก็ไม่ทุกมันขึ้นอยู่กับอุปทานนั่นเองอุปทานไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นกันได้ง่ายๆแต่หากมีความเข้าใจก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ยากเลยหากมีความเข้าใจกลไกของธรรมชาติรู้เท่าทันขันห้าก็จะเห็นโฉมหน้าของอุปทานอยู่กับอุปทานทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมันเลยสักครั้งเพราะมันอุปทานที่ว่านี้เป็นตัวเรานั่นเป็นของเรา จึงมีตัวเราและของเราอยู่ตลอดเวลาเชื่อตามที่อุปทานมันหลอกไว้ลงยึดในความมีความเป็นเหล่านั้นจึงมีคนมากมายที่ทุรนทุรายไปกับความอยากได้นั่นอยากได้นี่ความอยากมีความอยากเป็นหรือความไม่อยากมีไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการก็อุปทานทุกกันไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกเราทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกขอ ง, ธ ร, อออง ธ, รรธรรมชาติยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกนั่นเองธรรมะธรรมชาติมีหนึ่งเดียวไม่เคยแบ่งแยกมีแต่อวิชชาคือความไม่รู้เท่านั้นที่เป็นตัวแบ่งแยกให้มีการเปรียบเทียบให้มีความเหลื่อมล้าต่าสูงให้มีการแข่งขันกันในความรู้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 และการทุ่มเถียงกันก็ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือดูเข้าไปในสภาวะจิตขณะนั้นขณะที่มีการทุ่มเถียงกันมีการตัดสินลงความเห็นขณะที่มีการวิพากวิจารณ์หรือขณะที่มีการกล่าวถึงบุคคลอื่นๆ อ, อยู่นั้นสภาวะข้างในกําลังมีความรู้สึกแบบใดร้อนรอนไหมขึ้นลงด้วยแรงโทสะโมหะไหมหากมีความร้อนรุ่มในสภาวะจิตในขณะนั้นนั้น